พรรมบทแปลเรื่องที่36ภาคที่สเรื่องนางปฏิปูชิกาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวติีทรงปรารพหญิงชื่อปฏิปูชิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าบุคพานิเหวะปะจินันตังพยาสัตต มณสังนรังอติตังเยวะกามสุอนตัตตะโกกุรุเตวสังมันจุผู้ทำซึ่งที่สุดกระทำนรผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เทียวผู้ไม่อิ่มในการทั้งหลายนั่นแหลสู่อำนาจเรื่องเกิดขึ้นในสวรรค์ ชันเดาดึงได้ยินว่าเทพผบุตรนามว่ามาลาพารีในดาวดึงเทวโลกนั้นมีนางอับศรพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเข้าไปสู่ในสวนเทพธิดาห้าร้อคนขึ้นสู่ต้นไม้ยัางดอกไม้ให้ตกอยู่เทพธิดาห้าร้เก็บเอาดอกไม้ที่เทพธิดาเหล่านั้น ให้ตกแล้วประดับเทพบุตรบรรดาเทพธิดาเหล่าใดเทพธิดาองค์หนึ่งชุติบนกิ่งไม้นั่นแหละสรีระดับไผ่ดุดเปลวประทีปนางถือปฏิสนธิในเรือนแห่งตระกูลหนึ่งในกรุงสาวถตีในเวลาที่นางเกิดแล้วเป็นหญิงระลึกชาติได้ระลึก อยู่ว่าเราเป็นภรรยาของมาลาภารีเทพบุตรดังนี้แล้วนั่งถึงความเจริญกระทำการบูชาด้วยของหอมและดอกไม้เป็นต้นปรารถนาการเกิดเฉพาะในสำนักของสามีนางแม้ไปสู่ตระกูลอื่นในเวลามีอายุ16ปีถวายสลากพัดปกิจตาพัด และวัฏสาวาสิกพัทคือพัทในเวลาต่างๆเป็นต้นแล้วย่อมกล่าวว่าส่วนแห่งบุญนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อประโยชน์แก่อันบังเกิดในสำนักสามีของเราตอนจุติจากมนุษย์โลกแล้วไปเกิดในสวรรค์ลำดับนั้นพิสูจน์ทั้งหลายทราบว่านางนี้ลุกขึ้นเสร็จสับแล้ว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 ก็อายุของมนุษย์มีประมาณเท่าไรประมาณหนึ่งปีเท่านั้นเองอย่างนั้นหรือค่ะนายพวกมนุษย์ถืออายุประมาณเท่านี้เกิดแล้วเป็นผู้ประมาทเหมือนหลับอย่างการให้ล่วงไปหรอกหรือหรือทำบุญมีทานเป็นต้นนายท่านพูดอะไรพวกมนุษย์ประมาณเป็นนิดประนหนึ่งถือเอาอายุตั้งสงไขเกิดแล้ว ประหนึ่งว่าไม่แก่ไม่ตายความสังเวทเป็นอันมากได้เกิดขึ้นแกมาลาภารีเทพประบุตรว่าทราบว่าพวกมนุษย์ถือเอาอายุประมาณร้อยปีเกิดแล้วประมาณนอนหลับอยู่เมื่อไหร่น้อจึงจะพ้นจากทุกได้หนังนี้ตอนหนึ่งปีของมนุษย์เท่าหนึ่งวันในฉรัน ก็หนึ100่งรปีของพวกมนุษย์เป็นคืนหนึ่งวันหนึ่งของพวกเทพเจ้าชั้นดาวดึงสามสบราตรีโดยราตรีนั้นเป็นเดือนหนึ่งกำหนดด้วยสิองเดือนโดยเดือนนั้นเป็นปีหนึ่งหนึ่งพันปีทิพย์โดยปีนั้นเป็นประมาณอายุ ข, ของเทพเจ้าชั้นดาวดึงหนึ่งพันปีทิพย์นั้น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 น้ำฉันยังไม่ได้ตั้งไว้จึงกล่าวว่านางปฏิปูชิกาไปไหนชาบานท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจะเห็นนางนาะที่ไหนก็วันวานนี้เมื่อพระกุณเจ้าฉันแล้วกลับไปนางตายในตอนเย็นภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนได้ฟังคมนั้นแล้วระลึกถึงอุปาการะของนางนั่น ไม่อาจจะกลั้นน้ำตาไว้ได้ส่วนธรรมะสังเวชก็ได้เกิดขึ้นแก่เราพระกีนาพศพภิกสุทั้งหลายเหล่านั้นทำพัฒกิจแล้วกลับไปวิหารถวายบังคมพระศาสดาทูลถามบ่าแค่แต่พรุองผู้เจริญอุบาสิกาชื่อปฏิปูชิกาลุกขึ้นเสร็จสับแล้วทำบุญมีประการต่างต่างปรารถนาถึงสามีเท่านั้น บัดนี้นางตายไปแล้วเกิดณที่ไหนพระเจ้าข่าพิษุทธตงหลายนางเกิดในสำนักสามีของตนนั่นแหละแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในสำนักสามีไม่มีอยู่เลยพระเจ้าข่าพิษุทธตงหลายนางปรารถนาถึงสามีนั้นก็หาไม่ได้มาลาภารีเทพบุตรในดาวดึงพิภพเป็นสามีของนาง นา่งเคลื่อนจากที่ประดับดอกไม้ของสามีในชั้นดาวดึงแล้วบัดนี้ไปบังเกิดในสำนักของสามีในชั้นดาวดึงนั่นแหละอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นหรือพระเจ้าข้าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพิกสุทั้์งหลายข้อนี้น่าสังเวชจริงชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงหนอเช้าตรู นางยังอังคาดคือถวายของแก่พวกภ้าพรงตอนเย็นได้ตายด้วยโรคที่เกิดขึ้นภิกษุต่างหลายข้อนี้เป็นอย่างนั้นชื่อว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยจริงแลเหตุนั่นและมันจุผู้กระทำซึ่งที่สุดยังสัตว์เหล่านี้ซึ่งไม่ยิ่มด้วยวัตถุกรรมและกิเลสกรรมนั่นแหละ ให้เป็นไปในอำนาจของตนแล้วย่อมพาเอาสัตว์ที่คร่ำกรวญร่ำไรไปนังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคถานิวาบุพผานิเหวะปะจินันตังพยาสัตต์มณสังณนรังอติตังเยวะกาเมสุอันตะโกกุรุเตวสังมันจุ ผู้ทำซึ่งที่สุดกระทำนระะผู้มีใจคลองในอารมณ์ต่างๆเลือกเก็บดอกไม้อยู่เทียวผู้ไม่อิ่มในการทั้งหลายนั่นแหละให้อยู่ในอำนาจบรรดาคำเหล่านั้นข้อที่ว่าปุปพานิเหวะปะจินันตังแปลว่าเลือกเก็บดอกไม้อยู่เทียวหมายความว่ า, วาผู้มัวเลือกเก็บดอกไม้ คือการมุกุลทั้งหลายอันเนื่องด้วยอัตภาพและเนื่องด้วยเครื่องอุปกรณ์อยู่เหมือนนายมาลาการเลือกเก็บดอกไม้ต่างชนิดอยู่ในสวนดอกไม้ฉะนั้นคำว่าพยาสัตว์มณัสงนรังคือนระผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆหมายความว่าผู้มีจิตสั้นไปโดยอาการต่างๆ ในอารมณ์อันยังไม่ถึงแล้วด้วยสามารถแห่งความปรารถนาในอารมณ์ที่ถึงแล้วด้วยสามารถแห่งความยินดีคำว่าอติตังเยวะกามีสุคือผู้ไม่อิ่มในการทั้งหลายนั่นแหลหมายความว่าผู้ไม่อิ่มในวัตถุกรรมและกิเลสกรรมทั้งหลายนั่นแลโดยการแสวงหาบ้าง ด้วยการได้เฉพาะบ้างด้วยการใช้สอยบ้างด้วยการเก็บใบบ้างส่วนคำที่ว่าอันตะโกกุรุเตวสังคือมันจุผู้ทาซึ่งที่สุดกระทำให้อยู่ในอำนาจหมายความว่ามันจุผู้ทาซึ่งที่สุดกล่าวคือความตายพานรัผู้คร่ำครวญร่ำไรไประยู ให่ถึงอำนาจของตนในเวลาจบเทศนาชนเป็นนันมากบรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติผลเป็นต้นเทศนามีประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แหละเรื่องนางปฏิปูชิกา